คำว่าจิตโดยปกติก็มีความละเอียดยิ่งกว่าสิ่งใดๆอยู่แล้วแม้จะมีสิ่งละเอียดด้วยกันซึ่งเป็นฝ่ายต่างฝ่ายมวหมองรปปกคลุมก็ต่างจิตก็ย่อมมีความละเอียดยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายอยู่เช่นนั้นที่ดูทางพระท่าน ตัดเย็บกีวรยว่อมพระธาตท่านถวายผ้ามาให้ตัดเย็บกีวรก็มีพระสงฆ์ในวัดช่วยตัดเย็บแต่ก่อนเย็บด้วยมือพอเสร็จแล้วท่านคงจะมีความรักความยินดีในกีวรของท่านแล้วเผอิญตอนกลางคืนเกิดโรคปัจจุบันโรคท้องในท่านได้ตายตอนกลางคืนเกิด ค, ความห่วงใยในกีวร เดินมาเกิดเป็นเดนอยู่ที่นั่นแล้วบรรดาพระสงฆ์จำนวนมากมาต้องมีองค์ไหนจะพูดว่าอย่างไงพระพุทธเจา้าต้องสเสด็จมารับสั่งบอกว่าจีวอนผืนนี้จะแจกให้แจกใครไม่ได้ภายในเจ็ดวันว่นนามีพระติสชะตายแล้วมาเป็นเดนติดเกาะอยู่จีวอนนี่เวลานี้หึงหองอนในกีวรนนี้ว่าง ต้องรอเป็นกว่าว่าเรนนี้ตายไปแล้วถึงจะแจกกันได้จงควรจะให้องค์ไหนก็ให้ไปะไระยะนี้ยังให้ไม่ได้พระที่สามมาเป็นตายแล้วมาเป็นเดรนเกาะอยู่ในยวนี้หึงหวงมากมายเวลานี้กลัวใครจะมาแย่งเอาไปวางน่าฟังดึกจนกระทั่งเจ็ดวันผ่านไปแล้วยังมารับจังบอกว่านี่แจกแล้ว แก้ได้แล้วพระยิสระตายลเล้วนตอนนั้นตายแล้วไปสวรรค์แล้วนะจกจ้ะนั่งไปสวรรค์น่ะไอเรื่องนี้มันก่อนตอนที่ไปไม่ได้ในที่แรกก็คงเป็นความห่วงอะี้ยถึงมันต้องมาเกิดเป็นเรนแล้วเวลาจะตายในความเป็นเรนนี้คงจะหายห่วงแล้วไปสวรรค์ได้นี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้า มีในธรรมบุเห็นได้อย่างชาัดเจนเหนือความเกาะความหโหนายมันเหมือนกับสัตว์อยู่ปากคลอกขึ้นวัวเป็นต้นไม่สำคัญว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวไหนอยู่ปากคลอกส่วนั้นออกเกาะจิตใจขนาดใดที่จะออกก่อนได้จะเป็นฝ่ายต่ำฝ่ายสูงไม่สำคัญ เป็นนนอย่างั้ท่านจึงสอนให้ระมัดระวังเพราจะจิตเป็นของละเอียดและว่ามีกําลังโดยลําพังตัวเองต้องอาใช้สิ่งอื่นผักดันเช่นฝ่ายต่ำผลักดันให้เป็นอย่างไรเป็นก็ได้เราจรึงต้องสั่งสมทั้งความดีเป็นฝ่ายสูงเพื่อจะผักดันไปทางทางดีเต็มกระทั่งจิต หมดสิ่งที่ขักดันตัวประการทั้งปวงไม่ว่าฝ่ายต่ำฝ่ายสูงหรือว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วเป็นอิสระโดยลำพังแล้วนั่นคือหมดปัญหาไปอั น, นเรียกว่าจิตบริสุทธิ์แเราจะเห็นแต่มีผู้ใดมาสั่งสอนอุบายวิธีต่างๆ ในการแก้จิตใจในการชำระความพิโรธของใจชำระสิ่งที่มัวหมองออกจากให้ออกจากใจได้เหมือนพระโอาวาทของพระพุทธเจ้าไม่เห็นมีใครสามารถเลโลกเรากว้างแสนวกว้างมีประมาณสักกี่ล้านคนใครจะมีอุบายวิธีหรือความสามารถในทางความรู้ความตลาดเกี่ยวกับทางด้านจิตใจและสิ่งเกี่ยวข้องกับจิตใจให้ทราบทั้งสองอย่างคือจิตหนึ่ง สิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจมีอะไรบ้างนละยแล้วจะแก้ไขกันด้วยวิธีใดในหะ้มีใครสามารถมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเอกนามไม่จริง mm hmm. หนึ่งไม่มีสองคืออะไรคือพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์ที่ได้ตรัรสรู้ขึ้นมาในโลกมีแต่ครั้งละองค์เท่านั้นใหมันหายากทุกทีจะเป็นสัพพันธูที่รู้โดยลําพังตนเองได้มาสั่งสอนโลก วนผู้ที่จะคอยรับจากผู้อื่นซึ่งไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้โดยลำพังนั้นมันมีมากมายหตายกอเช่นภาษาสา ว, สาวากาก็แปลว่าผู้ฟังต้องได้ยินได้ฟังอุบายต่างๆจากพระพุทธเจ้ามาแล้วถึงจะรู้วิธีปฏิบัติต่อตอนเองแม้ฉะนั้นจึงต้องอาศัยพระองค์พยุงอยู่ตลอดเวลาคือคอยตักเตือนส่งสอนอยู่เรื่อยๆนี่าง่งเรียกว่าเอกนามมาจิน หนึ่งไม่มีสองได้แต่พระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรูกได้แต่เพียงครั้งระองค์เท่านั้นมีจำนวนน้อยมากเพราะเป็นสิ่งที่จะเกิดจะเป็นขึ้นได้ยากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งประการที่สองพระวาจาที่แสดงออกแสดงออกด้วยความรู้ความเห็นด้วยความจรินตุ่างได้ตรัสอย่างไรแล้วไม่มีสองเลยนั่นเรียกว่าเอกนามจิง คือพยานอย่างทราบเหตุการณ์ทั้งหลายทราบก็อย่างแน่นอนของเราไม่ไม่เป็นอย่างนั้นมันยังทราบเป็นเรื่องหลอกตัวเองอย่างทราบดนั้นยางทราบดังนีน้หลอกตัวเองแบบนั้นหลอกตัวเองแบบนี้นอยู่วันยังค่าคืนยงรุ่งก็ยังไม่เห็นโทษในความหลอกลวงตัวเองนั่ง อุตส่าห์เชื่อเข้าไปโดยลำดับลําดับแล้วไม่ใช่อุตส่าห์นะพอใจเชื่อนั่นเลยวินาเลยมันผิดกันไหมล่ะกับพยานของพระพุทธเจ้าที่ทรงย่างทราบอะไรแล้วกินขึ้นมาทุกอย่างให้พวกเราย่างลงไปทราบลงไปอะไรเรื่องตั้งกลับตั้งกันนานมาแล้วกี่การเล่มไปย่างทราบมาหมดแล้วก็กว้านเข้ามาเผาตัวเองล้อตัวเองอย่างนั้นเละไม่มีอะไรเล่นกับเงาตัวเอง เงาอะไรที่อารมณ์อารมณ์อดีตเป็นมาสักกี่ปีกี่เดือนดีชั่วอะไรยังมาทุ่นมาคิดมาบริกรรมมาอุ่นขึ้นมาให้เผาจะของยุ่งละหมดส่วนมากไม่ไม่ใช่ของดีนี่จต่ของชั่วอะถ้าเป็นอารมณ์อดีตมาคิดขึ้นมายุ่งจะของมันไปอย่างซาบเอาอย่างนั้นอย่างซาบอย่างซื้อซึมเข้าไป เผ่าจ้าของจำต้องไล่พิจร า, า, ารณาเพราะฉะนั้นเึงว่าไม่มีที่ใดที่เป็นที่เชื่อถือได้เอาพูดอย่างนี้เพื่อให้เป็นที่แน่ใจสําหรับเราผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะมีมากน้อยเพียงไรคนจํานวนในโลกนี้มีเท่าไหร่เราจะเชื่อผู้ใดเพราะต่างคนต่างหูหนวกตาบอดในทางความรู้ความเห็นอันแท้จริงนี่แต่ เรื่องต้นเดาๆไปด้วยกันหมดถามใครก็แบบเดียวกั น, นถามเรื่องสีเรื่องเรื่องแสงอะไรกับคนตาบอดมันได้เรื่องอะไรถามเรื่องเสียงกับคนหูหนวกมีกี่คนก็ตามถ้าเป็นคนหูหนวกด้วยกันแล้วมันไม่ได้เรื่องเท่างนั้นเน<ม>ี่ยไอ้หนวกบอดภ า, ายในจิตใจนี้ก็เป็นทํานองเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะไปเชื่อผู้ใดให้ยิ่งกว่า พระอวาทคํา่องสอนคำพทุทธเจ้าที่แสดแงออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงจริงเมื่อได้คิดลงโดยทางเหตุผลแล้วอย่างนี้กําลังทางหน้าจิตใจก็เพิ่มขึ้นมาศรัท ธ, ธาก็เพิ่มวิริยะก็เพิ่มสติสมาธิปัญญาก็เพิ่มขึ้นไปโดยลำดับเพราะอหน้าถึงความเพี่ยนเป็นเครื่องสนับสนุนนี่เราเชื่อตัวเองเราก็เชื่อไม่ได้อืม วนเลย์อ่ตลดเวลาไม่ทราบจะไปทางไหนจะมาทางไหนสถานที่จะไปก็ไม่ทราบแล้วจะไปยังไงก็ไม่รู้นไม่ทราบจะดีจะชั่วเพราะความแน่นอนของใจไม่มีเนื่องจากความแนนธรรมซึ่งเป็นความแน่นอนไม่ได้ย่างหรือไม่ซึมซาบเข้าไปในจิตใจพอจะเป็นที่เชื่อถือตนได้ ใจเมื่อมีสิ่งที่แน่นอนมีสิ่งที่อาจหารมีสิ่งที่แน่ใจเข้าแทรกกับตัวเองย่อมสามารถย่อมแน่ใจได้การสรีวรสร้างความแน่ใจภาระ จ, จิตใจแล้วข้อปฏิบัติอ้าวทกุก็ทุกทราบมันมาตั้งแต่วันเกิดเกิดมาเกิดกับกองทุกข์เนี่ย เราไม่ได้เกิดมากับสวรรค์นิพพานที่ไหนในขณะเกิดเกิดกับกองทุกข์รอดจากทุกข์ขึ้นมาแล้วถึงมาเป็นคนเราจะไปตื่นเต้นตกใจเสียอกเสียใจกลัวอะไรกับความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาความกับความทุกข์หาจะเป็นอะไรก็เป็นไปแล้วนี่เวลานี้ไม่ได้เป็นไปถึงคิดหายบาดปวงหรือตายไปนี้เราก็ไม่ไตายเราผ่านพ้นมาเดิยลำดับยิ่งเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะประพิติปฏิบัติตัวของเราด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงโดยทางสติปัญญาแล้วเราจะกลัวทุก จึงขัดกับหลักเหตุผลที่จะให้ทราบเรื่องของทุกข์ถ้ากลัวต้องกลัวด้วยเหตุผลอย่างพระพุทธเจ้าท่านกลัวทุกข์สาวกท่านกลัวทุกข์ท่านพิจารณาเพื่อจะหาทางลุหอยู่จากทุกข์โดยทางสติปัญญาศรัทธาของเถียงท่านนั้นถูกต้องการกลัวทุกข์ด้วยความท้อถอยอ่อนแอนี้ไม่ใช่ทางทุกข์เป็นไงกําหนดให้รู้ เกิดกับทุกทําไมจะไม่รู้เรื่องของทุกเกิดกับสมุ ท, ทัยคือกิเลสกัญหาสะะุะทําไมจะไม่รู้เรื่องของสมุทยัยสิ่งที่ใจรู้มีอยู่สติปัญญามีอยู่กับทุกคนศาสนาธรรมตัานสอนไว้กับหัวใจของบุคคลสติไม่หามาจากที่ไหนไม่ต้องหาซื้อมาจากตลาดถ้าเราไปซื้อหนังสือก็มาเป็นเพิ่มเพิ่มสติปัญญาขึ้นภายในจิตใจของเรานี้่ให้สร้างขึ้นสติปัญญาทีนี้เพิจารณาพยายามคิดอ่านซอกแซ่ พบหน้าทวนหลังอย่าคิดไปหน้าเดียวถ้าคิดไปหน้าเดียวไม่รอบครอบมีช่องโหว่ตรงไหนนั่นแหละถ้าเป็นบ้านก็โจรผู้ร้ายเข้าที่ช่องนั้นช่องโหว่ของจิตมีตรงไหนกิเลสอัสระเข้าที่ตรงนั้นกิเลสอัสระคอยที่จะแทรกจิตใจอยู่ตลอดเวลาต้องฝึหกหัดสติปัญญาของเราให้ดีอย่าให้เสียวลเวลากับสิ่งใดยิ่งกว่า เสียกับความเพียรซึ่งเป็นผลประโยชน์อย่างยิ่งกับตัวของเราโดยเฉพาะนี้เท่านั้นทีเป็นเป็นจุดสำคัญพระพุทธเจ้าเคงได้อสอนบรรดาพระสงฆ์สาวกพระสงฆ์ทั้งหลายที่ทูลลาพระองค์ไปเที่ยวกรรมาฐานไปเที่ยวบำเพ็ญธรรมในที่ต่างๆซึ่งท่านเหล่านี้เป็นผู้กำลังศึกษาที่เรียวกับ หากว่าเป็นสาเร็จเป็นอายะบุคคลก็ต้องอยู่ในขั้นเสียขับบุคคลที่จะต้องศึกษาเพื่อทาขั้นสูงขึ้นไปเวลามาทูลลาพระพุทธเจ้าจะไปบปําเพ็ญสมณธรรมท่านขอรับสั่งว่าเธอทั้งหลายไปอยู่ในสถานที่ใดอย่าปราศจากที่พึ่งนะคาอยู่ไม่มีที่พึ่งนั้นหาความหมายไม่ได้เลยไม่มีความหมายในตัวบุคคลหาคุณค่าไม่ได้นะพวกเธอทันหลังหาธรรมที่มีคุณค่ามาก ทำนี่มีคุณค่านั้นจะมีจะเกิดขึ้นได้เพราะสถานใดเหตุใดถ้ามันเกิดขึ้นได้กับความมีสติความมีความเพียรด้วยสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาในเยายตังต่างๆนี้แหละคือคุณค่าที่จะทํำสมณะให้เจริญรุ่งเรืองกลายเป็นคนมีคุณค่าคุณค่าขึ้นมาภายในติใจนี่เราฟังโอวาทของ ท, างทาง่านหน้าฟังไงเพราะฉะนั้นบรรดาพระสงฆ์ที่ได้นับพระโอวาทจากพระองค์แล้วต่างองค์ต่างสอบแสวงหาสมณะธรรม คว ป, ป็นสังฆทานในสถานที่ใดท่านจึงเป็นไปด้วยความ ส, มบสงบเสงี่ยมเป็นไปด้วยความเพียมเนื้อเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทแล้วหาที่เป็นเด็กเจอเดีย ว, เ, ยวเพื่อความเหมาะสมกับการแก้พิเรกการฆ่าพิเลกนั่นเองพูดง่ายเมื่อเข้าไปสู่สถานที่เช่นนั้นเอเรื่องความเพียรก็ามาเองตามปกติ มีแต่ความขี้เกียจล่ะทับถมอยู่ตลอดเวลามองหาตัวจนจะไม่ไม่เห็นนั่นแหละมีแต่ความขี้เกียจมา่ง่ายความหมดแรงเต็มอยู่ในตัวของบุคคลทั้งคดเหยียบย่างปัญหาโดนแต่ความขี้เกียจขอ ง, งของคนแต่เวลาเข้าไปสู่สถานที่นั้นความขี้เกียจมันมอบตัวหมอบความขยันหมั่นเพียรมันเป็นขึ้นมาเพราะสถานที่เป็นสิ่งแวดล้อมอันสําคัญประมาทไม่ได้เรามีความมุ่งหมายอย่างไรจรงต้องมาสู่สถานที่นี้ ความมุ่งหมายเดิมเจตนาเดิมเป็นยังไงก็คือมามุ่งเพื่อสมณธรรมมาหาในที่สําคัญที่เด็เ ด, เ ด, เ, ด, เ, ด, เ, ดเดียวเพื่อจะได้ตั้งสติตั้งสติปัญญาและความภาคเพลินในอย่างเข้มแข็งเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นและปไปอยู่ตูสถานที่นั้นด้วยแล้วสติมันก็มาเองเพราะความระวังตัวใครจะไม่กลัวจะไม่เสียดายชีวิตไม่อะไรเสียดายชีวิตไม่ห่วงิชีวิตมีเหรอเนี่แม้ว่าธรรมจะมี คุณค่ามากในระยะที่จิตมีความมุ่งในชีวิตซึ่งมีคุณค่ามากยิ่งกว่าทําอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสอันหนึ่งแต่กิรรเลสประเภทนี้เป็นกิเลสที่ให้เกิดธรรมมาได้คือให้เกิดความขยันหมั่นเพียรในการที่ประกอบความภาคเปลี่ยนเอาเป็นก็าตา เ, กาเป็นก็เป็นตายก็าตายนานที่นี้ทีนี้มอบได้แล้วตายกับธรรมมีสติสตังอยู่ตลอดเวลาเดินอยู่ใน สถานที่ใดนั่งในสถานที่ใดเป็นกับตายไม่ต้องเอามายุ่งขอให้รู้เรื่องของจิตที่มันก็ะดิกตัวมาแสดงความหลอกลวงตนเองว่ามันปรุงเรื่องอะไรปรุงเรื่องเสือเรื่องช้างเรื่องอันตรายเรื่องงูเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันปรุงขึ้นที่ตรงไหนปรุงเมื่ที่ใจตัวนี้เป็นตัวหล อ, อ, อกลวงง่ายเห็นมันขายับเข้าไปตรงนี้ขายับเข้าไปตรงนี้ไอ้เรื่องว่าเสือว่าช้างที่เป็นอันตรายภายนอกมันเลยหายกังวลหายกังวลเพราะตัวนี้เป็นตัวก่อควนตัวนี้เป็นตัวหลอกลวงก็มาจับจุดที่ตรงนี้ซึ่งเป็นตัวจนผู้ร้ายยุ่ยแย่ก่อควนตน จนได้อืมเมื่อเห็นจุดสําคัญที่เป็นตัวก่อเหตุแล้วไอ้จุดนี้มันก็ระงับตัวลงได้เพราะอํานาจของสติอำนาจของปัญญาค้นควา้ายอมมอบเรื่องความกลัวเลยหายหมดมันจะมันจะไม่หายยังไงก็ปุกไปปรุงมันไม่ปรุงเนี่ยเพราะรู้ตัวของมันแล้ววันนี้ตัวเป็นอันตรายจริงอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่กับจัดกับเสือกรับช่างอะไรที่ไหนมน่งถึงค่ายจะตายอยู่ที่ไหนก็ตา ย, ตายคนเรามีปัจฉัยทุกแห่งทุกหนทุกอิริยาบถเนี่ ไปวันไปไหวอะไรกับเรื่องความเป็นความตายที่เลอที่มันครอบคลุมในหัวใจนี้เป็นพายสําคัญอยู่ตลอดเวลาทุกพบทุกชาติด้วยมีควรที่จะแก้ที่ตรงนี้ะเช่น<อ>ความกลัวมันก็เป็นเรื่องที่เลอะทั้หนึ่ง<อ>ต้องใช้สติปัญญาหันเข้ามาที่นี่ย้อนเข้ามาที่นี่จิตนั้นก็สงบตัวลงไปทางนั้นเมื่อจิตได้สงบตัวลงไปถึงจะคิดจะปรุงได้อยู่ก็าตาม ความครูว่าไม่ไม่ไมนีนี่เราเห็นคุณค่าเราเห็นผลประโยชน์จากสถานที่นี้ด้วยความเพียรอย่างนี้ะมันก็ยิ่งจะขยับเข้าไปเรื่อยๆเพื่อทําขั้นสูงต้องหาที่เด็ดที่เดียวเข้าไปโดยลำนับเพื่อทําขั้นสูงยิ่งกวนี้เข้าไปการประกอบความเพียรในในที่ครับขับขานเช่นนั้นมันเป็นผลประโยชน์เกิดผลได้เร็วยิ่ยงกว่าธรรมดานะเมื่อเป็นเช่นนั้นทุนมีน้อยก็อยากจะได้กําไรมากๆ ถห้ได้ผลมากจะทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมก็ต้องหาที่เข้มนา น, นที่เล็ดหมอบรุ่นเึิงมันถึงอยู่กับอากาศธรรมเห็นทั้งโทษทั้งคุณพานานจิตใจของตัวผู้หลอกลวงผู้ข้อควนผู้ยุ่ยแย่ต่างๆให้เกิดความโชครกกระทั่นหวั่นไหวให้เกิดความกลัวเป็นกลัวใต้อะไรมันอยู่ใน จ, ใจิตใจร่มเรื่องของมันอยู่ที่นี่แล้วนันก็สงบไอ้เรื่องเหล่านี้สงบแล้วเขาเรียกว่า ข้าสึกสงบใจก็เย็นสบายอ้าเดินเสือจะกระหึมกระหึมอยู่ก็กระหึมเพียงเสียงอันนึงเท่านั้น เ, เขากระตายเสือก็มีป่าชาติเต็มตัวของมันเราก็มีป่าชาติเต็มตัวของเราหัวอะไรกับสัตว์กับเสือวิเิย์กาดหงวยตอนเวลาทำไายม่กลัวนี่เอาคงนี้บอกวเวลาจะเอายิงกันจังหมุนติวติเกิดความก้าหารทานไทยขึ้นมา มันจะมีสักกี่ร้อยี่พันตัวก็มาเถอเสือนี่เราก็เป็นสัตว์เกิดแากเกิดกายด้วยกันเหมือนสัตว์ทั้งหลายเรานั้นแหะไม่เห็นมีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันเนี่ยมันคิดไปอย่างนั้นมันรู้ไปอย่างนั้นเถอะจิตก็เลยรื่นเดิงบันเทิงสบายแล้วกิเลสค่อยหมดไปหมดไปอ้าวที่นี่ค้นทางด้านปัญญาเมื่อสิ่งกังวลภายนอกที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นมันระงับตัวลงมาระงับตัวลงไปเพราะไม่คิดไม่ยุ่งเนื่องจากสถิตปัญญาตีต้อนมันเข้ามาแล้ว เราค้นวงภายในที่นีอ่อ้าวค้นลงไปเรื่งธาตุเรื่องขันเรื่องอยัยชนะเอาหลักพระพุทธเจ้าเอาหลักสวาคาตะธรรมเข้าไปเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องเชื่อเป็นธรรมชาติที่ให้ความเชื่อถือได้ค้นลงไปท่านว่าอันนี้จังอะไรเป็นอันนี้จังดูให้มันเห็นชัดเจนตามความจริงที่พระองค์สอนไว้เป็นความจริงล้วนๆนั้นเวลานีิจิท่องเรามันปลอมอันนี้เป็นไอจังมันก็ว่านิจจัง อันนี้เป็นทุกขังมันก็ว่าสุขขังอันนี้เป็นอัตตามันก็ว่าเป็นอัตตาอัดตัวตนอยู่นั่นล่ะอะไรๆมันก็ปกว้างนะเป็นตัวเป็นตนเป็นหมดนั้นก็ฝืนทำพระพุทเจ้าเมื่อเข้าสู่ในที่ขับขันเช่นนั้นแล้วมันไม่ฝืนมันยอมเมื่อยอมพระพุทธเจ้าแล้วมันก็เห็นธรรมเท่งนั้นล่ะอย่างน้อยก็คือสมณธรรมคือความสงบเย็นใจยิ่งกว่านั้นก็คือความเฉลียวฉลาดทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันเห็นอย่างกระจัด เวลาเห็นชัดเจนแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่ถ้พาพระพุทธเจ้าตรัสได้ชอบแล้วชอบจริงๆ<ม>เปิดเผย อ, อยู่ด้วยความจริงสอนด้วยความจริงสิ่งที่สอนนั้นก็มีเป็นความเปิดเผยตามธรรมชาติของตนไม่มีอะไรปิดบงังลี้ลับนอกจากความโง่ซึ่งเป็นเรื่องของจิตเล็กเท่านั้นปิดบังตัวเองไม่ให้สามารถที่จะรู้ความจริงที่เปิดเผย อ, อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนได้นานมันก็รู้เข้ามาเราให้ถือนี่แหละ เป็นสนามรบเป็นสถานที่ทำงานทีาเรียกว่ากรรมาฐานกรรมาฐานน่ะพิจารณาตรงนี้ละ่ะมันติดที่ตรงนี้ไม่ติดอะไรแต่เป็นหลักสำคัญติดตรงนี้ก่อนข้าดูฐานหนึ่งฐานดูทุกแง่ทุกมุมแห่งอวัยวะเมื่อถึงการที่มันจะซึมทราบแล้วมันก็เหมือนไฟได้เชื้อมันต่อไปไห่ลุกลามไปเรืเ่อยๆนี่ถึงความความรู้ขั้นปัญญาที่จะซึมทราบหเห็น อวัยวะส่วนต่างๆซึ่งมีความเสมอกันมีความเหมือนกันมันก็เป็นอย่างนั้นมันแทงทะลุกุู่ผงไปหมดหายสงสัยปล่อยวางได้ตามความจริงเบาวิวเลยก <c oughs> ารพิจารณาพิจารณาอย่างนั้นเ <c oughs> นี่ยตัวจริงตำหนักตำนาท่านสอนไว้มากน้อยเพียงใดกีคำพีสอนกข้มาหาตัวจริงนี้ทั้งไหน <c oughs> เห็นสมาธิ <c oughs> <c oughs> อะไรเป็นสมาธิ หนังสือไม่เป็นสมาธิเป็นตัวหนังสือจิเลตหนังสือไม่เป็นจิเลตใจของเราเป็นจิเลตเนี่ยปัญญาหนังสือไม่เป็นปัญญาเป็นชื่อของปัญญาต่างๆเป็นชื่อของกิเลตเป็นชื่อของกองทุกต่างหาตัวทุกจริงๆคือตัวของเราตัวจิเลตจริงๆคือใจของเราเนี่ยตัวปัญญาจริงๆอยู่ที่ใจของเราเนี่ตำราท่านสอนชี้เข้ามาที่นี่ที่นี่ที่นี่นึกว่าให้โอปัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของเรา ให้เห็นความจริงอยู่ในสถานที่นี้ความมืดนิดปิดตามันก็ปิดอยู่ที่นี่การพิจารณาด้วยปัญญาก็เพื่อจะเปิดสิ่งที่ปิดกำบงังอันฝูนจากธรรมฝืนธรรมทั้งหลายนั้นให้ออกไปถึงความขั้นความจริงนี่ติกครั้งเราก็จะโล่งจะได้เห็นตามความจริงโลกระวีถูกรู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะไรถ้าไม่จะรู้แจ้งสิ่งปิดบังอยู่ภายในท่านาคของเรานี้ก่อนอื่นไม่มีอะไรจะรู้ต้องรู้ที่นี่ก่อน ทุ ก, ก็ปิดบงังชาวมทไทยก็ปิดบงังเนี่มาเกิดทุกข์ขึ้นมาก็ทําำที่ไหนก็ล้มเหลวไปหมดเนี่ยมันปิดบงังมันทําลายทำทั้งหลาทั้งหมดวิริยะธรรมก็ถูกทําลายรติปัญญาธรรมก็ถูกทําลายขันติธรรมก็ถูกทําลายด้วยอำนาจแห่งทุกข์นี่ยถ้าสติปัญญาไม่สามารถแก้กไม่มีความอันหันจริงจะเปิดความทุกข์นี่เป็นของจริงขึ้นมาไม่ได้ทั้งๆที่ทุกข์นั้นเป็นของจริงอันหนึ่ง แ, แล้วก็พระเอามาเป็นของปลอมเป็นพื้นมันภัยเผาจิตใจของเราจนแหลกเล้วไปได้หาความเพียรติดต่อกันไม่เลยเพราะทุกนี้เข้าไปทํำลายนี่ยอะไรปิดบังจิตใจก็ทุกนี้เองเป็นเครื่องปิดบงังอืมสมทัยก็เหมือนการคิดอะไรหรอกขึ้นมาตั้งแต่เรื่องปิดบงังตั้งแต่เรื่องจอมปลอมทั้งนั้นเราก็เชื่อมไปโดยลํดำดับๆก็ยิ่งเพิ่มทุกข์ขึ้นมากมากลกองต้องใช้สติปัญญาออกมาเปิด สิ่งอังนนี้ให้เห็นตามความจริงของมันเ mm. หมือสติปัญญาจาะเข้าไปถึงไหนรู้เข้าไปถึงไหนความปล่อยวางหรือความรู้แจ้งเห็นชัดมันจะปรากฏขึ้นมาเด่นขึ้นมาแล้วความปล่อยวางมันจะเป็นไปเองค่อยปล่อยวางไป เ, เ, เ, เ mm. รื่อยๆอืมอย่านี้มันก็หมดปัญหาคําว่าธาตุว่าขันเออพระพุเทธเจ้าท่านสอนไม่ได้สองพันห้าร้อยกว่าปีนี้ด้วนแล้วตั้งแต่เป็นความจริงตลอดมาจนมาถึงปัจจุบันทําไมถึง ม <icana> าเพิ่งทราบกันวันนี้รู้กันวันนี้ถ้าขันนี้มาตั้งแต่วันเกิดทําไมแต่ก่อนไม่เห็นกายของเราเป็นไอ้จังก็ไม่เห็นเป็นทุกขังก็ไม่เห็นเป็นอานตาก็ไม่เห็นเป็นอสุภสุทังอะไรทั้งๆมันก็เป็นความจริงมันอยู่มันก็ไม่เห็นแ้่ทําไมเพิ่งมาเห็นกันวันนี้พิ่งเหล่านี้เพิ่งมีในวันนี้เท่านั้นเหรอมีมาตั้งแต่วันเกิดแต่เพราะความมืดที่ปิดตามันบังอยู่ทั้งหมดอยู่กับตัวเราก็ไม่เห็นตัวเราอื อยก้อ น, นี้จังก็เห็นใหนจังอยู่พักทุกขงังก็เห็นทุกขงังอยู่ก้ น, นตาก็เห็นหนาตาแล้วจะเห็นธรรมคือความจริงแท้แน่นอนได้ที่ไหนเมดดื่อสติบัญญาอย่างวันนี้มันก็เปิดเผยเออกไปเรื่อยๆไม่ต้องบอกเรื่องอุปท า, านจะขาดสะพั่นแต่มากน้อยเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กัสติปัญญาให้พิจารณาสติปัญญาหรือให้ผลสติปัญญาเพื่ให้ดีเราอย่ากลัวจิตตาอย่ากลัวจิตชิบหายอย่ากลัวจิตร่มจมธรรมชาตินี้ไม่ร่มจม รธรรมชาตินี้เท่านั้นที่จะพิ้างานสิ่นทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นก็มาอาศัยธรรมชาตินี้อยู่ด้วยการไปถ้าเราหลงก็ถือว่าเป็นเราแล้วสิ่งนั้นก็เป็นภัยต่อเราได้ถ้าเรารู้โลกต่างอันต่างจิงอยู่อย่างสะดวกสบายในที่ตรงนี้นักรบต้องเป็นผู้กล้าหารต่อความจริงให้เห็นความจริงจิตเป็นผู้ที่ชอบรู้ชอบเห็นมีสายอยากผู้อยากเห็นอยู่ตลอดเวลา ขอให้น er ้อมความอยากรู้อยากเห็นนั่นเข้ามาสู่สัจธรรมให้อยากรู้อยากเห็นสัจธรรมคือความจริงพระพุทธเจ้าสอนว่าจริงจริงแค่ไหนให้เห็นด้วยสติปัญญาของตัวเองจะเป็นที่หายสงสัยว่าอ๋อพระพุทธเจ้าสอนว่าสัจธรรมเป็นความจริงจริงอย่างนี้อย่างที่เราเห็นปัจจุบันนี้ทุกก็จริงอย่างนี้สมุทัยก็จริงอย่างนี้ปัญญาก็จริงอย่างนี้แนะยังไงจิตก็จริงอย่างนี้เห็นเลยชัดๆหายสงสัย เรื่องพระพุทธเจ้าก็หายจงใสเรื่องความภาคเทียนของพุทเจ้าที่ทรงบำเพ็ญอย่างไรหายจงใสอุบายวิธีต่างๆที่ทรงสอนไว้หายจงใสไว้ทั้งหมดน่ะเมื่อถึงขั้นหายหายไปโดยลำหนับลำหดักท่า น, นตรงพิจารณาขันธ์ของเหล่านี้เอาให้ดียินเป็นหัวเลี้ยวหั ว, ห ว, หวต่อได้แล้ว เราจะนอนใจไม่ได้เอาลงให้เห็นเหตุเห็นผลกันจนกระทั่งสิ้นลมอ้าวลมมันสิ้นไปจากตัวของเรานี้มันก็ไม่ทิพหายมันก็ไปเป็นลมตามเดิมมันทานจากเราไปตั้งหากเนี่ยคำว่าเราเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟมาเป็นเราเนี่ยดินสลายลงไปจากคำว่าเรานี้ก็ไปเป็นดินน้ำสลายลงไปจากคำว่าเรานี้มันก็ไปเป็นน้าไปเป็นลมไปเป็นไฟ ธรรมชาติคือใจนี้ก็เป็นใจแยกกันให้เห็นตามกำลังของจิตปัญดาของเราอย่าทอ้อถอดนี่หละความช่วยตัวเองช่วยอย่างนี้ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถไปช่วยเราได้ยิ่งถึงขั้นจำเป็นจำใจขั้นจนเกาะเป็งมุมจริงๆแล้วมีแต่นั่งดูกันเฉยๆนั่นแอละ ไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ถ้าเราไม่รีบช่วยของเราด้วยสติปัญญาสตางค์เพียนเราตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้จนเป็นที่พอใจเป็นที่แน่ใจไม่มีทางอื่นความต้องการเราไม่มีความหมายถ้าความเพียงไม่เป็นเครื่องสนับสนุน <c oughs> ความเพียงจึงเป็นสิ่งําคัญอดทนต่อความจริงอดทนต่ อ, อต่อธรรมไม่เสียหายเราอดทนต่อสิ่งอื่น เราสักกรรมอะไรต่อสิ่งองื่นเราเคยสักกรรมมามากแล้วเราเคยทั้งว่าเราเคยเนี่ยแล้วสิ่งนี้ทําไมเราจะไม่สามารถพระพุทธเจ้าไม่ธรรมะมุริเจ้ามันจะเพชฌฆาตพอจะฆ่าคนผู้มีความเพียรอันกล้าหาญให้ทิพย์ผายวายตรวงไปนี้นอกจากจะฆ่าทิเดียอาสวะซึ่งเป็นตัวฆ่าสิ่งสุภานา จ, จิตใจให้เราลุ่มหลงไปตามนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเงียบกินนาลงให้เห็นทัดเจนดูให้ดี ทิงอาหนี้กับกิจมันสนิทกันมาเป็นเวลานา น, านติดต่ำนมาเป็นเวลานา น, านจนแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นธาตุเป็นขันจึงรวมเอาหมดนี่ว่าเป็นเราทาั้งๆที่มันไม่ใช่เราตามหลักความจริงของท่านของความรู้ที่ท่านผู้รู้ไปแล้วท่านเห็นเป็นอย่างนั้นความจริงเผิดของเรามันฝืนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องทุกข์มันจึงแทรกเข้ามาตามความฝืนซึ่งเป็นความผิดนั่นให้เราได้รับความลําลบากอยู่เสมอะ เดินตามหลักความจริงที่พระเจ้าทรงสอนไว้เรืงนี้แล้วรู้ตามนี้แล้วจะไม่มีอะไรเป็นปัญหาธาตุก็ธาตุขันก็ขันให้ชื่อว่ายังไงก็เธอเขาก็เป็นสภาพของเขาเนี่ยเราเป็นผู้ให้ชื่อเขาว่านี่เป็นธาตุนั่นเป็นขันนี่เป็นรูปนั่นเป็นเวทนาเนี่ยเป็นสัญญานี่เป็นลางขานี่เป็นยินย่าขอให้ปัญญามันรู้ทั่วถึงเท่านั้นแหละมันก็หมดสมมุติไปเองสิ่งอันนี้ไม่ไปสมมุติมันเป็นอาการอันหนึ่งๆเท่านั้นที่จิตแยกออกไปทราบจิตแยกออกไปให้ความหมายต่างๆ เมื่อทราบประมาณขงจิตสอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งนันทั้งทั้งหลายนั้นมันก็เป็นความจริงของมันล้วนๆจิตก็มาเป็นความจริงของตนล้วนๆแล้วไม่ค้าเข้ า, ขากันที่น้าเห็นชัดอย่างนี้เห็นสิ่งอนั้นแล้วก็ค้นลงไปนี่มันอะไรจิตดวงนี้มันทํำไมมันขยันนะักเรื่องเกิดเรื่องตายทั้งทั้งที่โลกก็กลัวกันทั้งหนาเราเองก็กลัวเรื่องความตายแต่ทําไมความเกิดจริงความเกิดนี่จึงขยันนะ<ม>ตายแล้วปั๊บเกิดปุ๊บฮะเกิดปุ๊บกระแบกกระทุกปุ๊บพร้อมกัน ท ำ, ทำไมจึงขยันนักพิจารณาให้มันเห็นมันเกิดขึ้นไปจากเรื่องอะไรถ้าให้เกิดถ้าไม่ใช่าจากจิตซึ่งเป็นมีเชื้ออนันสำคัญแต่นภายในนี้จะเป็นอะไรพาให้เกิดถ้าให้เป็นเป็นทุกเกิดเป็นบอกเกิดแห่งทุกนักพิจารณาลงไปคนลงไปอา้าวอะไจะทิพยหายให้เห็นให้รู้เพราะเราต้องการหาความจริงนี้ อะไรจะขี้ผายไปให้มันรู้ด้วยปัญญาของเรารู้ด้วยจิตของเราอะไรมาขิ้หายก็ให้รู้ด้วยจิตของเราอีกนั่นแหละจะหมดปัญหาที่จุดนั้นปัญหาอย่ายอยู่ที่จิตกว่านอะไรอะไรเข้ามารวมไว้ในตัวหมดกว่านเอาไปข้างนอกแต่กวานข้างนอกเข้ามาพราะถูกตัดด้วยสติปัญญาแล้วก็หดตัวเข้าไปอยู่ภายในอืไปหลบซ่อนอยู่ภายในจิตนั้น กิจก็ถือนี่เป็นตนอีกเนี่ยผลหลงอีกเพราะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปฟันเข้าไปฟาดเข้าไปแหลกละเอียดไปตามๆกันหมดอะไรที่ไม่ใช่ของจริงในในหลักธรรมชาติซึ่งมีอภาณจินแล้วมันจะสลายตัวไปอันหนเป็นธรรมชาติของตัวเองแล้วจะไม่มีสลายเช่นความรู้เมื่อแยกสิ่งที่แบบปรปอมสิ่งที่แท้จริงมลายออกหมดแล้ว จิตก็เลยเป็นจิตล้วนๆเป็นความเบริสุทคิดหายไปไหนความเบริสุดแล้วลองค้นหาดูที่ป่าช่างความเบริสุ์ป่าช่างจิตนี้มันไม่มีให้ตากฏยิ่งชำระสิ่งที่จอมปลอมให้พายไปเที่ยวเกิดนั่นถือร่างนี้ร่างนั้นออกหมดแล้วยิ่งเป็นความเด่นชัดนี่แหละถนัดทำประเสริฐประเสริฐที่ตรงนี้ คุณแต่ก่อนของคุณนี่แหละเป็นตัวสําคัญลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ทาให้หลอกอยู่ในจิตจิตตึ้งจิตเป็นเหมือนผู้ฟุตบอลนั่นแหละถูกเตะกิ้งไปกิ้งมาอย่างนั้นที่เลยที่ไหะมันเตะนี่ฟันขาเหยียดใหมันแหลกที่ทําให้เตะฟันด้วยปัญญาของเราสติของเราไม่แหลกหมดมันโกงแนวนิทานเที่ยง จะถามที่ไหนกิพอถึงจุดที่เที่ยงคือไม่มีอะไรที่จะเข้ามาแทรกสิงได้แล้วมันก็ไม่เอ็นไม่เอียงเสมอตัวท่านเนี่ยสานทิฏฐิโกรู้กันตรงนี้เป็นสติสิสารทิฏิโกเป็นภูมิปัจจตังเบริสตบูวินดูหิท่านผรู้ทั้งหลายรู้จําพอตนรู้ที่ตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายรู้ที่ตรงนี้และเรื่องก็หมดที่ตรงนี้เรื่องป่าช้าทั้งหลาย อันเป็นความเกิดความตายมาเท่าไรเท่าไรแล้วมาดับกันที่ตรงนี้นี่เรียกว่างานล้างป่าช้าคืองานกรรมฐานอย่งานล้างป่าช้าของตนล้างที่ตรงนี้พบน้อยพบใหญ่อะไรออกให้หมดให้ไมเหลือนี่ผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ขั้นร่มแหวกเข้าอยู่ในป่านในเขาเข้าการฝึกฝนประมาณตัวเดินไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆที่พระเจ้าทรงสั่งสอนท่าสงสาวกให้ไป เทีกรรมฐานไปเที่ยวแบบนี้แหละที่นี่ากรรมฐานเนี่ยก็มีอยู่กับทุกคนไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆราวาสกรรมฐานคืออะไรเจสาหลุมมานะาตังกาแตโจนั่นปัญจะพระก็จะปัญจกกรรมฐานแต่ว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าเป็นคํารูปผ้ามันก็มีอยู่กับทุกคนนี่ไม่ว่าจะพระแต่เนี่ยพิจารณาตรงนี้มันก็เรียกว่าพิจารณากรรมฐานเที่ยวอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าเที่ยวกรรมฐาน หลงกับหลงอันนี้พิจารณานี้ดูแล้วกับลูกกรรมฐ า, านถอดถอนกรรมฐานถอดถอ น, ถอนพบถอดถอนทาทธาตุหรือว่าตังสารเลือดที่ตรงนี้รวงก็ไปก็ไปเรือดที่จิตใจก็ chin. หมดปัญหาที่ตรงนั้นนั่นแ ห, หละกรรมฐานสมบูรณ์แล้วฤติตังปรมจาริยังเสร็จคือพรหมจาร์ได้อยู่จบแล้วจบที่ตรงนี้จบทุกสิ่งทุกอย่าง ศา ส, สนาลงที่จุดนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงงสอนอะไรต่อไปอีกเพราะศาสนาศา ส, สนาธรรมมุ่งถึงจุดนี้คือคือมุ่งล้างปากช้าของสัตว์ที่ตรงนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วก็เป็นอนมดบรญหาสาวกจะอยู่ด้วยกันเป็นกี่ร้อยกี่พันองค์ก็ตามท่านจะไม่มีอะไรสอนขันเพื่อการบำรุงอย่างนั้นบำรุงนี้แน่จะ ลุงร้อมพระพุทธเจ้าอยู่ก็าตามพระองค์ก็ไม่ทรงสอนเพื่อการละพิเดเพราะได้ละกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างดังที่พระโอวาทปฏิโมกในมพระบูชาดังที่เทศเมื่อคืนนสรรพปารสักาาการนางกุญแจสูส้กระชั้นประับภิกตตะประโยชน์ปณญญาตังบุทธานมสาสนังนะท่านประกาศหรือวท่านสแสดงเป็นสัมโมอดพึงถืเครื่องรื่นเดินสําหรับสาวกเท่านั้น มาแส ด, ดงเพื่อให้สาวกละผออะไรทั้งหมดเพราะบรรดาสาวกเหล่านั้นร้วนได้ตั้งแต่เป็นพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นชีวดดิตอารวาหมดโดยประการทั้งปวงการทำบาปก็มีความฉลาดก็ถึงพร้อมจิตก็จนกรทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์หมดจบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถูกต้องตามหลักว่าเอตังมุ ธ, ธาสาสนังที่เป็นคําสอนพระพุทธทุกๆองค์แล้วท่านไม่สอนเพื่อลาภที่เด็ดอันใดอีกต่อไปเลยพระอรหันต์ต้องอยู่เท่าไรท่านจึงสะดวกสบายทั้งหมด ถ้าไ ม, มีอะไรกระทบกับเทือนตนและผู้อื่นเพราะเป็นความมืสุดล้นล้นแล้วเนี่ยไอ้พวกเรามีกิเลสอยู่ภายในไม่ไทะเลาะกับผูอ้อื่นกร่ทะเละกับตัวเองเนี่ยยุ่งกับตัวเองออกไปยุ่งตัวเองเอาเรื่องยุ่งตัวเองนี่เป็นยุ่งคนอื่นอีกละหมาั้งหมดเอ้อขี้โลคี้โกรธี้หลงเอาไปใายไปทาคน น, น, น, น, น, นนั้นทาคนนี้แหลกเหลือไปหมดร้อนโกรกอุณหภูมิวุ่นไงหมดเลยเป็นสภามวยขึ้นมาในวัดในว่างอันนี้ก่ ามากมาจ่ายกองก็เพราะอันนี้งของโกรกโกรกมีภายจิตใจ น, นี้เองถ้าหมดแล้วมันก็หมดปัญหาอาละการแสดงธรรมก็อย่างนี้ตมอว